มีแต่ใครต้องการก็เชิญมาควงแก้มก็เป็นล้านอยา ก, อก้อมนานก็รีบมาซะปากบางแท่ช่างจอจ้างไปนั่งอ้อร้องขั่งละล้านกวา่าลูกตาทุกสนขี่เล่น ส, สุกสตกาขึนท่าผู้เด่นอันนี้จำเป็นต้องคิดสองล้านหาพุ่มเอ้ยพุ่มพวงใครอยากจะควงก็พุ่มพว ง, พงเชิญมา สวนสมควรล้านที่ทุกคนไม่คานคงเห็นด้วยนะทรงหุนละวพอคุณเอ้ยอวดเขาได้เลยฮุ่มพวงฮวงที่เด็ดถ้าไม่มีแหวนเพชรแล้วอย่ามาสู้สาได้แพชแล้วพี่เป็นหาย่วงอย่าสาไหมจะได้หายหวงที่เด็ดพุ่มพวงก็น่าภาคใงค่ะคุมเอ้ยพุ่มพวงใครอยากจะขวงก็พุ่มพ ควรลานที่ทุกคนแม่คานคงเห็นด้วยนะสงหุนล้วพอคุณเอ้ยอวดเขาได้เลยฮ่หุ่พวงฮวงที่เด็ดถ้าไม่มีแหวนเพชรแล้ยามาสู้สาได้เห็นแล้วไม่เป็นหาย่วงอยากทราบไหมจะได้หาย่วงที่เด็ดหุ่พวง ก, ก, ก็น่าภาคไงนะ